นิทานเรื่องมะม่วงขม ทรงอีกสามปีต่อมาสั่งให้เพาะเมล็ดไว้ใน พระเจ้าททิวหานะเดิมทีเดียวพระองค์เป็นคน ไปใกล้ๆกับหมูตัวนั้นมีแก้วมณีอยู่ดวง มีแก้วมณีนี่น่ะอืมเอแก้วดวงนี้ทําอะไรได้อืมๆ ทางที่ดีตอนนี้เรานําแก้วมณีนี้ไป <c oughs> <laughs> ชายคนนั้นนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อคอย ย่างเนื้อกินจนอิ่ม 4 ง, ำ ำ. 4 น, 4 คน ได้ปลูกอาสมแยกกันอยู่เรียงเหลืองมีวันหนึ่งหนาว ท่านต้องการสิ่งใดจงบอกเรามาเถิดข้าพเจ้า เจ้าลองทําดูสิขอให้สาธุ อยู่ใกล้ทางช้างผ่านจึงรู้สึกไม่สบายนักทางช้างหลังจากสนทนากันแล้วจึงได้ถามขึ้นว่ารู้เออไม่อืมงั้นเรา หากตีแล้วตีแล้วเสียงกลองวิเศษจริงๆขอพระคุณท่านมากขับ พระอินทร์เข้าไปเยี่ยมฤาษีน้องชายคนที่ 3 แล้ว สามารถกลายเป็นวิเศษ กล่าวถึงชายคนที่ได้แก้วมณีจากมอ เขาอยู่กับฤาษีรูปที่ 2 นั้นได้ ทำทีเป็นขอลาจากไปเอ่อท่านไฟจงมาถ้า โอ้อะไรอย่า โดยซ่อนพราที่ชิงมาจากฤาษีรูปแรก วันนั้นเขาก็เข้าไปหาฤาษีรูปที่อยอยอย 4 อย่างคือพระ จึงได้สั่งแก้วมณีให้พาเหาะไป เห็นพระเจ้าพารณสีไม่ยอมเช่นนั้นจึงตีกลองด้านที่หนึ่งขึ้นทันใดนั้นเองไม่ยอมเช่นนั้นจึงตี กบคว่ําหม้อนมส้มแล้วทัน ให้ไปตัดพระศีรษะของพระเจ้า และส่งเกื้อหนุนเมืองอื่นๆที่อยู่ในอำนาจ พยายามที่จะนําเม็ดมะม่วงนั้น จึงทรงรับไว้ให้ทํางานร่วมกับ งานดูแลพระอุทยานทั้งหมดก็ตกเป็นหน้าที่เขาดูแลพระอุทยานทั้งหมดก็ รากของต้นสะเดาแทงลึกลงไปเกยพันกับ ฝ่ายพระเจ้าททิวัหะนะเมื่อได้เสวยผลมะม่วง รากของต้นมะม่วงกับราก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยของ